พระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเราให้ความเคารพนับถือให้ความศรัทธาเป็นศาสนาที่แท้จริงคือเป็นศาสนาที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกได้อย่างแท้จริงเพราะ สามารถดับความทุกข์ต่างๆของสัตว์โลกให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่มีศาสนาใดที่จะสอนให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงอย่างราบคาบอย่างถาวรมีแต่พระพุทธศาสนา เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำได้เพราะศาสนาพุทธเกิดจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นพระอริยสัจ ส, สีที่ไม่มีใครรู้มาก่อน มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความสามารถที่จะค้นพบพระอริยสัจสี่คือทุกสมุทยัยนิโรธมกทรงเป็นผู้ค้นพบมรรคที่เป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ของใจ ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรมมุปาอริยสัจสีนี้ไม่มีใครในโลกนี้รู้สาเหตุของความทุกข์ใจของตนว่าเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆและไม่รู้จากวิธีหรือเครื่องมือที่จะมา ละตัญหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงค้นพบพระอริยสัจสีพระองค์ก็ทรงศึกษาจากพระอาจารย์ต่างๆจากศาสนาต่างๆแต่ ศาสนาต่างๆที่เขาร่งไปศึกษาก็สอนให้ดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวคือสอนให้ทาใจให้สงบให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ฌานต่างๆเวลาใจเข้าสู่ฌานต่างๆเข้าสู่สมาธิความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราว ก็ตัณหาความอยากนั้นหยุดทำงานชั่วคราวแต่ไม่ได้ตายพอออกจากสมาธิมาตัณหาต่างๆก็ออกมาแสดงตนมาสร้างความทุกข์ใจให้แก่ใจต่อไปไม่มีใครรู้วิธีที่จะกำจัดตัณหาให้หายไปได้ อย่างราบคาบอย่างถอนราบถอนโคนอย่างถาวรนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่หลังจากได้ทรงศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วและทราบว่าไม่มีใครสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้ องเลยต้องสรงค้นคว้าทรงปฏิบัติลองผิดลองถูกไปจนกระทั่งในที่สุดก็สรงเห็นพระอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ของใจต่างๆนี้เกิดจากตัณหาความอยากสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา และทรงค้นพบมรรคที่มีองค์8ที่เป็นเครื่องมือที่จะทำลายตัณหาทั้งสาให้หมดไปจากใจได้พองจึงทรงเจริญมรรคที่มีองค์8ดนี้ขึ้นมาให้ครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อทรงมีมรรคแดครบถ้วนบริบูรณ์ องก็ทรงสามารถที่จะทำลายตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีตันหาหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือที่มาของพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่แท้จริง ของสัตว์โลกคือเป็นที่แท้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของสัตว์โลกสามารถทำให้สัตว์โลกนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีอริยสัจสี่ เป็นหัวใจของคำสอนมีมรรคเป็นเครื่องมือในการที่จะนำเอามาใช้ต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้าไม่มีมรรคที่เป็นองค์8นี้จะไม่สามารถที่จะ ทำลายตันหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่แท้จริงคำว่ศ า, าสนาก็คือที่พึ่งทางใจนี้เองที่พึ่งทางใจที่จะทําให้ใจนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ มีชายคนหนึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้จะลาจากโลกนี้ไปก็ื่งเสด็จดับขันธ์พระนิพพานมีชายคนหนึ่งมีปัญหาอยากจะถามพระพุทธเจ้าตอนต้นพระอนุนก็ทรงปฏิเสธว่าอย่าเข้าไปเลยเพราะตอนนี้พระองค์ ทรงเทียบหนักอาการทรงเทียบหนักมากแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ยินก็เลยทรงบอกพระอานุ์ให้นําชายคนนั้นเข้าไปเฝ้า mm hmm. พอชายคนนั้นได้เข้าไปกราบแล้วก็ทูลถามว่ามีลัทธิคําสอนมีศาสนาต่างๆอยู่หลากหลายด้วยกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลัทธิศาสนาคำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้พบกับความสุขที่ท้าวรและหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างท้าวรนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า ศาสนาใดคำสอนใดลัทธิใดถ้ามีมักเป็นองค์แปดศาสนานั้นเรียกว่าถือว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงเพราะองค์ไม่ได้ทรงบอกว่าต้องเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นคำสอนของพระ อ, องค์เพียงพระ อ, องค์เดียวแต่ทรงตัดแบบกลางๆคือ ทร ง, งตัดตามหลักของความเป็นจริงหลักของเหตุผลเหตุก็คือมรรคที่มีองค์แปดจะเป็นผู้ที่จะทำลายตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่มีคำสอนที่มีมรรคเป็นองค์8เป็นคำสอนอยู่ถ้าไปศึกษาศาสนาอื่นๆจะไม่ได้พบกับมรรคที่มีองค์8นี้ถ้ามีก็ไม่ครบองคปดศาสนาส่วนใหญ่จะสอนมรรคที่มีอง์6คือขาดสัมมา ทิฏฐิขาดสัมมาสังกปที่เรียกว่าปัญญาจะสอนเรื่องศีลคือไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ค่าฟันกันไม่ให้สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่กันแล้วก็สอนสมาธิให้ทำใจให้สงบวิธีทำสมาธิก็มีหลายรูปแบบการร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า หรือการสวดสาทยายอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำสมาธิรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะดึงใจออกจากความคิดสูงแต่งต่างๆที่มักจะคิดไปในทางความอยากต่างๆนั่นเองพอเอามาสารรเสริญร้องเพลงสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าเอามาสวดมนต์สวดบทอะไรต่างๆ ก็จะทำให้หยุดคิดไปในทางตั้หาความอยากพอหยุดคิดใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากตารหาความอยากก็จะหายไปชั่วคราวศาสนาทั้งอ่นศาสนาอื่นๆนอกจากาศาสนาพุทธจะสอนเพียงแค่ระดับสมาธิ สอนให้รักษาศีลสอนให้ทาทานให้สงเคราะห์ให้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแต่ไม่มีไม่มีาศาสนาใดที่สอนปัญญาปัญญาก็คืออริยสัจ ส, สี่ไจรักอนิจจังทุกขังอนัตตามรรคที่มีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร ไม่ได้สอนส่วนนี้ไม่ได้สอนให้มีสั ม, มาทิฏิส ม, มาทิฏิก็คือสอนให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากต่างๆและเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ก็คือมรรคที่มีองค์ดโดยเฉพาะองที่เกี่ยวกับปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร คือต้องรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและการที่จะระดับความอยากได้นี้จะต้องเห็นใจลัคในสิ่งที่อยากได้เห็นความทุกข์ที่เกิดในขณะที่เกิดความอยากใจนี้เวลาสงบนี้จะไม่มีความทุกข์แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันที ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปทําตามความอยากเลยเพียงแต่คิดไปในทางความอยากใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ว<ม>นี่คือสัมมาทิฏฐิจะต้องเห็นความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วพอเห็นว่าความอยากนี่เป็นความทุกข์ใจวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องใช้ ศีลสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่สามารถทําลายความอยากได้อย่างถาวรถ้ามีแต่ศีลกับสมาธิก็จะทําหยุดความอยากได้ชั่วคราวทําใจให้สงบหยุดความคิดตรงแต่งหยุดความอยากต่างๆไว้ได้ชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิพอมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะหยุดความอยากต่างๆโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะโพคือต้องคิดไปในทางที่ทำให้ไม่เกิดความอยาก หรือหยุดความอยากได้เช่นคิดให้เห็นว่าการทำตามความอยากนั้นไม่ได้พาไปสู่ความสุขแต่พาไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราว นวนเป็นของที่จะต้องมีวันจบมีวันสิ้นมีวันหมดไปมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสิ่งที่เราอยากได้เปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นไม่ดีความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปหรือจากการที่มีแล้วก็กลายเป็นไม่มีไปความสุขก็จะหายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือปัญญาคือต้องเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพบุคคลทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวาไม่เป็นเหมือนเดิมไปตลอดจ้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไป มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะยึดไว้เป็นสมบัติของเราได้อย่างถาวรไม่สามารถที่จะรักษาให้มันดีให้มันให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะไม่สามารถที่จะไป รักษาไปสั่งให้ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดจะมีเวลาที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้สิ่งที่เราอยากได้ที่ให้ความสุขกับเรานั้นให้ความสุขกับเราไปอย่างตลอดเวลานี่เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ภายใต้อำนาจคําสั่งของเราอ น, นี้จัง ไม่แท่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้สิ่งที่เราได้มานี้เที่ยงถาวร อ, อยากให้สิ่งที่เราได้มานั้นทําตามที่เราสั่งทุกประการ น, นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรตที่เป็นปัญญา ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุปขึ้นมาด้วยพระ อ, องค์เองไม่มีใครรู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครรู้ว่าเป็นมรคคือเครื่องมือที่จะมาละความอยากต่างๆทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่ไม่มีความอยากแล้ว จะไม่มีความทุกหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีภพชาติตามมาอีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นมีศาสนา พุทธนี้เท่านั้นที่สอนเรื่องอริยสัจ ส, สีสอนเรื่องมรรคแสอนเรื่องายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่ปรารถนาะความดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจาเป็นจะต้องศึกษาพระอริยสัจ ส, สีศึกษามรรคแศึกษาไตรัก ที่เป็นปัญญาที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติก็คือการเจริญมรรคที่มีองค์แปนี้เองเพราะมรรคที่มีองค์แปนี้ ภายในใจของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินี้จะมีไม่ครบบริบูรณ์จะมีบ้างบางส่วนมีมากมีน้อยก็สุดแท้แต่ว่าเคยได้สร้างมากมามากน้อยเพียงไรเพราะในแต่ละพบในแต่ละชาติเราก็มีโอกาสมากน้อยต่างกันไป ที่จะได้มีโอกาสสร้างมรรคที่มีองค์8นี้กันบางชาติไปเกิดในศา ส, สในในในครอบครัวที่มีการปฏิบัติมรรคแก็มีโอกาสได้สร้างมรรคแไปกับเขาบางชาติก็ไปเกิดในครอบครัวที่ไม่มีการเจริญมรรคแก็จะไม่ได้เจริญกับเขาก็เลยจา้า มีมากแปดสะสมกันมามากน้อยต่างกันส่วนใหญ่ก็จะมีทานมีศีลและสมาธิส่วนปัญญานี่อาจจะมีหรือไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าการที่จะมีปัญญาได้นั้นจะต้องไปเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาได้ร่ำเรียนและได้ปฏิบัติได้สร้างปัญญาขึ้นมาสู่ใจของตนถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนเรื่องปัญญาจะมีแต่สอนเรื่องการทำทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการทำใจให้สงบเป็นสมาธิอย่างนั้นผู้ที่มาเกิดในชาตินี้จึงมีมรร สะสมมาไม่เท่ากันบางคนก็มีมรรคสะสมมากบางคนก็สามารถที่จะมาปฏิบัติมากกว่าบางคนบางคนมีกำลังน้อยมีมรรคน้อยก็จะมาปฏิบัติมรรคได้น้อยกว่าบางคนมีมรรคมามากก็สามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเลยเช่นนักบวชทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารู้จักที่เรากราวาวไหวบูชาคารบนับถือตั่นเป็นพวกที่มีมรรคสะสมมามากพอท่านได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้เจริญมรรคให้มรรคมากพอท่านมีโอกาสท่านก็บวชกันบวชแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการเจริญมรรคแปดเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกับการไปเจริญลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกวินไกยนะเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการเจริญมรรคแปดนี้เป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจส่วนความเจริญในลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นการ สร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปภายในใจไม่ได้ทําให้น้อยลงไปแต่กลับจะทําให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะเป็นการสร้างเป็นการเจริญการมติหานภตันห า, า, นหาและวิภวตันหาให้มีกําลังมากขึ้นไปนั่นเองผู้ที่มุ่งไปสู่การเจริญในลาบยศสรรเสริญใน ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้แสดงว่ากํำนังเจริญสมุ ท, ทยัยที่ควรจะละไม่ใช่ควรจะเจริญเพราะว่าการที่เราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องมีกามาปัญหามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลเถภามีภาวะปัญหามีความอยากมีอยากเป็น อยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตมีวิภวตัณหามีความอยากไม่รู้อยากไม่จนอยากไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ถ้าไปทางราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็แสดงว่ากาลังเดินสวนทางกับคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ส่งสอนให้ละตัณหาความอยากไม่ใช่ให้เจริญตัณหาความอยากส่งสอนให้เจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้สอนให้ละมรรคคือศีลสมาธิปัญญาผู้ที่เจริญสมุทยัยคือเจริญราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มรรคจะละ การรักษาศีลมัจจละการนั่งสมาธิทำใจให้สงบมัจจละการพังเทศพังธรรมหรือการพิจารณาใตรักอยู่เนืองๆนี่คือทางสองทางที่สวนทางกันทางโลกเราเรียกว่าทางของตัณหาความอยากทางธรรมเราเรียกว่าทางของมรรคทางไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ทางธรรมจึงเรียกว่าทางที่ทวนกระแสของทางโลกกระแสของทางโลกก็คือกระแสของกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหากระแสที่นำไปสู่ความเจริญในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ไปทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ความสู่ความดุจทนจากความทุกข์ทั้งหลายนี่ต้องไปในทางของมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเจริญมรรคกันให้มากๆเจริญกันให้บ่อยๆเพราะยิ่งมีมากคมีมามากเท่าไหร่ก็จะมีกำลังที่จะทำลายตันหาความอยาก ให้ได้มากไปเท่านั้นถ้ามีมรรคเต็มร้อยก็จะสามารถทําลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างอย่างราบคาบอย่างถาวรดังนั้นถ้าเราปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การจเจริญมรรคให้มากๆและใคร และคนที่จะมาตั ด, ตดสินว่าเราจะเจริญมากหรือน้อยนั้นก็คือตัวเราเองไม่มีใครที่จะมาบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองและการที่จะบังคับให้เราเจริญมากได้มากนั้นก็อยู่ที่การเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ความทุกข์ที่เรากําลังหลงเกาะติดอยู่เช่นถ้าเราเห็นความทุกข์ใน ลาบยศสรรเสริญเห็นความทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสผุดพัพะถ้าเห็นมากเท่าไหร่ก็จะทําให้เราเกิดความอยากที่จะละทิ้งมันไปให้มากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราเห็นความทุกข์ในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะเหมือนกับการบังคับให้เราไป จเจริญมากเพราะว่าเมื่อเราไม่ใช้เวลาของเราไปในการหาลาบยศสรละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะเอาเวลานี้ไปหาความสุขทางมรรคกันนั่นเองถ้าเราไม่ไปเที่ยวเราก็จะไปอยู่วัดกันถ้าเราไปเที่ยวเราก็จะไปอยู่วัดไม่ได้นะ ถ้าเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปรักษาศีลแปดปฏิกิเวกไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ไปเจริญปัญญาไม่ได้นะดังนั้นเราต้องพยายามพิจารณาเห็นทุกข์ในลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพิจารณาว่าลาบยศสารเสริญ สุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนมีโอกาสาที่จะเสื่อมมีโอกาสาที่จะหมดไปได้เมื่อไหร่ก็ได้เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอย่างมากหรือเราจะมองเครื่องมือที่เราใช้ในการหาราบยศสรรเสริญสุ ข, ขก็ได้ก็คือร่างกายของเรา ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเครื่องมือนี้มันก็ไม่แน่นอนมันก็ไม่ถาวรมันจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆความสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็จะแผ่วลงไปเรื่อยๆจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ต่อไปเมื่อไม่สามารถหาความสุขได้แล้วก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ภายในใจนี่คือสิ่งที่เราจะใช้ในการกระตุ้น ในการผลักดันในการบังคับให้เราได้ไปเจริญรัตที่มีองค์8ปกันต้องเห็นทุกข์ในลาบยศสรเสริญสุขต้องเห็นทุกข์ในเครื่องมือที่จะใช้ในการหาลาบยศสระเสริญสุขก็คือร่างกายของพวกเราว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บและมันจะต้องตายถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเรา อยู่บ่อยๆมันจะกระตุ้นมันจะดันให้เรานี้สละการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วดันให้เราไปหามัด ก, กันไปหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราพอต่อไปเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตาย ถ้าเราไม่มีมรคนี้เราจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าเรามีมร์เราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายเลยนี่คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการบังคับให้ตัวเรานี้ให้ความสาคัญให้ความสนใจต่อการเจริญมร์มากกว่าการให้ความสาคัญต่อการหา ราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายกันต้องพิจารณาความทุกข์อยู่เนืองๆพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในราบยศสรรเสริญสุขพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเช่นสามีภรรยา บุตรที่ดาหรือบุคคลใดก็ตามที่เรายังพึ่งพาอาศัยให้เขาให้ความสุขกับเราอยู่เราต้องพิจารณาว่าเขาไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เป็นพี่พึ่งที่ถาวรจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถพึ่งเขาได้และเมื่อเราเพึ่งเขาไม่ได้เราก็จะไม่มีความสุขจากเขาอีกต่อไปนี่คือ สิ่งที่ผู้ต้องการที่จ ะ, จะเจริญมากให้มากมากนี้จำเป็นที่จะต้องคำนึงอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเทวทูตสี่เทวทูตสี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพอเห็นแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นทางที่ไปสู่ความหลุดพ้นก็คือทางของนักบวชนี่เอง เพราะทางของคนแก่คนเจ็บคนตายนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นนี้ทางที่จะไปสร้างมรรคแปดนี้ต้องเป็นทางของนักบวชถ้าอยู่เป็นคารวะครองเรือนก็จะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตาย แ้วความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็จะไม่สามารถสร้างมรรคขึ้นมาได้มีแต่การไปเป็นนักบวชเท่านั้นที่จะมีความสามารถในการสร้างมรรคที่มีองค์แปดนี้ให้สมบูรณ์ได้พระองค์ก็เลยทรงบังคับพระองค์ให้สละราชสมบัติบังคับให้พระองค์สเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อไปประทับอยู่ ในป่าในเขาในสถานที่สงบสงบเพื่อที่จะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติทำเพื่อที่จะได้มีมรรคแปดขึ้นมาเพื่อที่จะได้นำเอามรรคแปดนี้มาทำลายตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระไถยของพระองค์ให้หมดไปในในที่สุดพระองค์ก็สามารถ กระทำได้ภายในระยะเวลาเพียงหปีเท่านั้นตั้งแต่วันที่ออกจากพระราชวังไปจนถึงวันที่ตัดสรุ้ในวันเพ็ญเดือนหกพรอองค์ก็สามารถสร้างมรรคขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์สร้างศีลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์สร้างสมาธิขึ้นมาอย่างสมบูรณ์และสร้างปัญญาด้วยพระองค์เองขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ พอมีศีลสมาธิที่เป็นมรรคแปนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สามารถใช้ทำลายตันหาความอยากที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบอย่างถอนราบถอนโคลนไม่มีตันหาหลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระเจ้านับตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหไป ไม่มีตันหาเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเลยพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์พระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยบรมสุขคือปรมังสุขขังนี่แหละตัวอย่างของพวกเราสารณะของพวกเราที่พึ่งของพวกเราท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราก็ต้อง บำเพ็นอย่างนั้นปฏิบัติตามคำสอนของท่านแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นเหมือนท่านท่านหลุดพ้นภายในหปีท่านก็รับประกันว่าถ้าปฏิบัติตามที่ท่านได้ทรงสอนนี้ก็จะสามารถหลุดพ้นได้เจ็ดวันก็ได้หกเจ็ดวันก็ได้หรือเจดเดือนก็ได้หรืออย่างมากก็ไม่เกินเจดปีทรงรับประกันเลย ว่าถ้าได้เจริญมรรคแปดอย่างที่พระองค์ได้ทรงเจริญนี้รับรองได้ว่าจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างแน่นอนภายในภพนี้ก็แล้วกันถ้าไม่ถ้าเกินเจ็ดปีก็ไม่เกินภพนี้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชากันท่านก็เจริญมรรคในภพนี้แล้ท่านก็หลุดพ้นกันในภพนี้นับมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ รุ่นแรกก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาตามมาด้วยหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่ลีท่านพ่อลีเดยมาถึงหลวงตาหลวงปู่ลีหลวงครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เป็นข า, วารวะผูวครองเรือนมาก่อนแต่พอท่านได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เจริญมากนะท่านก็มีศรัทธาความเชื่อพยายามดึงตัวเองให้ออกจากการห า, ราลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ฝักดันตนเองให้ไปสู่การเป็นนักบวช เพื่ที่จะได้มีเวลาใช้ในการเจริญมรรคได้อย่างเต็มที่พอท่านได้บวชแล้วท่านก็มุ่งไปศึกษากับพระอาจารยตสาวกครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ได้ทําลายตันหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆก็มุ่งไปสู่หลวงปู่มั่นกันไปศึกษาจากหลวงปู่มั่น พอได้ศึกษาต่หลวงปู่มั่นได้คำสอนที่ถูกต้องแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้อุบายได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติของหลวงปู่มั่นนำเอาไปปฏิบัติตามไม่นานท่านก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอันนี้อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การทําตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าก็ดีหดือพระอาหารตสาวกก็ดีหรือพอทำคาสอนก็ดี อันนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงบังคับให้พระที่บวชใหม่ให้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5้าปีเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกนั่นเองถ้าไม่ศึกษานี้ก็จะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะปฏิบัติแบบผิ ด, ผ, ดผิดถูกถูกผลที่จะเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาถึงทรงบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยของพระภิกษุพ่าภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องอยู่ไม่จะต้องอยู่ไม่ไม่อยู่ป่าชจาก ครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็5 0 0พสาด้วยกันเพราะการได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ก็จะได้เห็นแบบฉบับที่ดีงามได้ยินได้ฟังคำสอนที่ที่ถูกต้องแม่นยำที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการเจริญมรรคบบ ถ้าพวกเรายังไม่สามารถเจริญมากแาดได้อย่างเต็มที่ก็แสดงว่าเรายังไม่หมั่นพิจารณาความทุกข์เราไม่หมั่นพิจารณาตายรักในลาบยศสารเสรินในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกยกันเราไม่หมั่นพิจารณาเครื่องมือที่เราใช้ในการหาลาบยศ ส, สรรเสิญสุขคือร่างกายของเราเราไม่หมั่นพิจารณาถึง วิถีชีวิตของผู้ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะต้องเป็นใครจะต้องเป็นแบบไหนจะเป็นแบบคารวะผู้คลองเรือนหรือจะเป็นแบบนักบวชเพราะเท่าที่เห็นมามีแต่ผู้ที่เป็นนักบวชส่วนใหญ่ที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกขต่างๆผู้ที่เป็นคู่ครองเรือนนี้มีน้อยมากที่จะ สามารถหลุดพ้นจากกองทุกต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาพิจารณาเอามาทำหนึ่งเอามาเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มาพิจารณาไม่มาเปรียบเทียบเราก็จะติดอยู่กับสถานภาพที่เราเป็นอยู่เพราะความติดอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะดึงดูดที่จะผูกให้เรานี้ไม่สามารถ หลุดออกมาจากอำนาจของมันได้ถ้าเราไม่ใช้ตายรักเข้ามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาว่าชีวิตของเรานี้ความสุขที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาที่จะ หาวิถีทางอื่นเพราะว่าทางที่เราอยู่ตอนนี้มันจะนำเราไปสู่ความทุกข์อย่างอย่างยิ่งใหญ่คือเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายถ้าเราไม่อยากจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางอันนี้ก็มีอีกทางหนึ่งก็คือทางของนักบวชนี่คือสิ่งที่พระ เ, เจ้าได้ทรงพิจารณาตอนที่ได้เห็นเทวทูตสี่ เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชจึงทรงเห็นว่าทางของนักบวชนี้เป็นทางที่จะพาให้ทรงออกจากความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายได้จึงได้ทรงสละราชสมบัติและเสด็จออกบวชแล้วก็ได้ทรงมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ว่าถ้าอยู่ในพระราชวัง กนจะไม่มีเวลาและไม่มีใครสอนไม่มีครูบาจารย์จะมาสอนในวังเวลาที่อยู่ในวังก็จะไม่มีไวต่อการปฏิบัติเพราะอยู่ในวังจะมีภารกิจของในวังต่างๆให้ให้กระทาจะไม่มีเวลาที่จะให้มานั่งสมาธิเดินจงกรมมารักษาศีลก็เลยต้องออกบวชเมื่อได้ทรงออกบวชแล้วก็ได้มีเวลา ที่จ ะ, จะเจริญมรรคได้อย่างเต็มที่รักษาศีลได้อย่างเต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อได้ทรงปฏิบัติได้ทรงจเจริญมรรคขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยแล้วก็สามารถใช้มรรคนี้นําเอาไปทําลายตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจของพวกเราตอนนี้เป็นอย่างไรเราต้องควรจะวัดดูว่าเรายังมีตัณหาความอยากทั้งสามอยู่ในใจของเราอยู่หรือเปล่ายังมีการตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเรายังไม่มีมรรคที่จะมาทําลายมันถ้าเราอยากจะทําลายมันเราต้องสร้างมรรคขึ้นมา เราไม่สามารถไปยืมมรรคของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกมาทำลายได้เราต้องสร้างขึ้นมาเองโดยอาศัยวิธีการปฏิบัติของพอระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติของพระอรหันตสาวกมาเป็นแบบฉบับมาเป็นแนวทางพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระอรหันตสาวกท่านปฏิบัติอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นถ้าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามพระอรหันตสาวกเราก็จะมีมรรคขึ้นมาเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจแล้วเราก็จะสามารถใช้มรรคนี้เข้าไปทําลายตัณหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ก็คือเราต้องดึงตัวเราดึงใจของเราให้ออกจากการสวงหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ได้ถ้าเรายังดึงออกมาไม่ได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างมรรคมาปฏิบัติให้ได้เต็มร้อยและวิธีที่จะทําให้เราสามารถดึงใจของเราให้ออกจากการหาลาบยศสารเสริญสุขได้ก็คือการพิจารณาตายรักในลาบยศสารเสริญสุขนี้เองพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีดับ แล้วก็พิจารณาเครื่องมือก็คือร่างกายที่เราใช้ในการหาราบยศสารเสริญสุขว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพอมีแก่มีเจ็บมีตายเมื่อไหร่การที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆก็จะไม่สามารถทําได้ต่อไปต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆถึงจะสามารถที่จะกระตุ้น สามารถที่จะฉุดกระชากลากใจของพวกเราให้ออกจากการสวงหาราบยศสันตเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ถ้าไม่พิจารณามันจะไม่ออกมันจะติดเนีต้องพิจารณาเทวทูวสี่เรื่อยๆคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงนักบวชอยู่เรื่อยๆคิดถึงการแปลงสภาพจากการเป็นคราวาสไปสู่การเป็นนักบวช เพราะเมื่อได้เป็นนักบวชก็จะได้มีเวลาที่จะได้สร้างมรรคได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะถ้าไม่ได้เป็นนักบวชนี้จะไม่มีเวลาเพราะจะมีภารกิจการงานของผู้ครองเรือนมาให้ทำอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีเวลาที่จะมาจะเจริญศีนสมาธิศีนสมาธิปัญญาได้อย่างต่อเนื่องและได้อย่างตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราอยากถ้าเรา ปาถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดึงตัวเราออกมาจากการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายดึงตัวเราออกจากการหาลาภยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญแบบแบบนักบวชจะบวชก็ได้หรือไม่บวชก็ได้การบวชนี้เป็นเพียงแสดง สั ญ, ญลักษณ์เท่านั้นเองเช่นกอนสีสะเนืองขาวหอมขาวหรือเนืองเหลืองหอมเหลือ ง, องแต่การบวชที่แท้จริงก็อยู่ที่การมีเวลาให้กับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้ตัญงหากถ้าบวชแล้วไม่มาเจริญศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกับไม่ได้บวชอยู่ดีแต่ถ้าไม่ได้บวชแต่ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้แก่การเจริญศีนสมาธิปัญญาอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นนักบวชนะดังนั้นอย่าไปหลงติดอยู่กับรูปแบบของการเป็นนักบวชคือได้โกนศรีรษะได้ห่มผ้าขาวผ้าเหลืองแล้วก็คิดว่าตนเองเป็นนักบวชแล้วอันนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ของนักบวชเนื้อหาสาระตัวตนที่แท้จริงของนักบวชก็คือการบำเพ็ญศีนสมาธิปัญญา ถ้าเราไม่บำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อให้เราโกนศีสันนุ่งขาวห่มขา ว, ห, ขาวหรือนุ่มเหลืองห่มเหลืองเราก็ยังไม่ได้เป็นนักบวชอยู่นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรามาเจริญมรรคที่มีองค์8ดกันมาเจริญศีลสมาธิปัญญากันเพราะศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคที่มีองค์8ดนี้เท่านั้นที่จะสามารถทาลายตัณหาความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติกองเท่าภูเขาก็ดีเป็นใหญ่เป็นโตระดับพระราชามหาจากักรพรรดิก็ดีเป็นปรธานาธิปะดีเป็นนายกงรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆก็ดีการเป็นเหล่านี้การมีทรัพสมบัติกองเท่าภูเขานี้ ไม่สามารถที่จะมาทําลายตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำลายได้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้เองดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องการทําลายตันหาความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากจิตจากใจเราก็ต้องมาสร้างมรรคที่มีองแปดกันให้สมบูรณ์ให้ได้เพราะถ้าเรามีมรรคที่มีองค์แปดที่สมบูรณ์แล้ว เราก็จะสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะผู้มีผู้กระทามาแล้วนั่นเองผู้ที่กระทามาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วและผู้ที่กระทตาตามมาก็คือพระอาลันตัสาวกทั้งหลายดังนั้นเรา ไม่มีทางเลือกถ้าเราต้องการที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องไปสู่วิถีชีวิตของนักบวชเราต้องสละวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนไปให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะไปไม่ได้เราก็จะหลุดพ้นไม่ได้จึงขอให้พวกเราพยายามหาวิถีหาวิธีหาอุบายต่างๆที่จะสอนใจที่จะดึงใจให้ออกจาก การติดอยู่กับการหาลาบยศชำรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่เราจะได้เอามาเอาใจของเรามาใช้ในการเจริญสีนสมาธิปัญญาเพื่อที่เราจะได้เอามาทําลายตันหาความอยากให้หมดไปจากจิตจากใจพอไม่มีตันหาความอยากแล้วใจก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เรียกว่าบัลมะสุขนิบานังประรมังสุขขัง เป็นผลที่จะเกิดจากการที่เราได้เจริญมรรคได้เต็มร้อยก็ขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ตราโสยทถาสพีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีธีขายยโกภวะอภิวาทนสีฤทตสันิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมมมวัทานติอายุวโนสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบ ขอการหลวงพ่อคะ่ะคำถามจากคุณพนิภาเวลานั่งสมาธิพอจิตรวมสงบนิ่งร่างกายขยับไม่ได้เหมือนไม่มีร่างกายมีความรู้สึกตัวได้ยินเสียงแต่ไม่รู้สึกถึงเสียงจะรบกวนนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนานอยู่สภาวะอย่างนี้ปฏิบัติถูกไหมคะจะทาอย่างไรต่อไปคะเป็นเป็นการกระทาที่ถูก เวลาจิตสงบจิตก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงแม้ว่าจะได้ยินได้รับรู้ก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้ยินได้รับรู้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าการทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิก็ควรจะทำให้มากๆทำให้บ่อยๆทำให้ชำนาญต้องการที่จะเข้าไปเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าไปได้ แล้วเข้าไปแล้วก็ให้อยู่ให้ได้ น, น, นานๆยิ่งนานได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเป็นที่หลบภัยได้ในอันดับแรกเวลามีความวุ่นวายใจก็สามารถเข้าไปในสมาธิแล้วความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วพอออกจากสมาธิมาใจก็จะเป็นปกติจะไม่มีอารมณ์คล้างติดอยู่ในใจ เราสามารถที่จะใช้ใจที่เป็นปกตินี้มาพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆได้ต่อไปเวลาที่เกิดอารมณ์นี้มักจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าจะแก้ด้วยอารมณ์จะแก้ด้วยความอยากซึ่งมักจะเป็นไปเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ไม่ถูกต้องเวลาที่จะแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยใจที่ว่าง ที่ไม่มีอารมณ์ก็จะเห็นทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องไม่มีผลเสียหายตามมาหรือจะนำใจที่ว่างนี้ไปพิจารณาความจริงต่างๆของชีวิตก็ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องต่างๆที่ใจเรายังไปเกี่ยวข้องอยู่ก็จะเห็นความทุกข์ตางความเป็นจริงจะเห็นความไม่เที่ยงต่างความเป็นจริง จะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราตามความเป็นจริงถ้าเห็นด้วยตามความเป็นจริงก็จะสามารถปล่อยวางละปัญหาความอยากต่างๆได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการนั่งสมาธินานเพราะเราจะทาให้ใจเราว่างใจเราเป็นกลางใจเราไม่มีอคติต่างๆใจเยน็นใจสงบใจสบายอันนี้เรียกว่าเป็นฐานของปัญญา ผู้ที่จะเจริญปัญญาให้ได้ผลอย่างแท้จริงจำเป็นจะต้องมีใจที่ว่างที่สงบที่เย็นที่เป็นกลางก็คือใจที่ออกจากสมาธิมามถ้าออกมาแล้วความว่างความสงบความเป็นกลางนี้ค่อยเสื่อมไปพอกลับมามีอารมณ์เราก็ควรหยุดการใช้ปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปเคลียอารมณ์ต่างๆให้มันหมดไปก่อน พออารมณ์ต่างๆหมดไปแล้วค่อยออกมาแล้วก็มาพิจารณาทมต่างๆต่อไปทำอันใดที่เรายัางไม่สามารถตัดได้ละได้เพราะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็พอออกจากสมาธิมาใหม่มาด้วยใจที่เป็นกลางที่ไม่มีอารมณ์เราก็จะสามารถพิจารณาละละได้ตามลำดับต่อไปดังนั้นการพิจารณารำบางอย่างบางชนิดนี้บางทีพิจารณาแล้วยังละไม่ได้ แ, แสดงว่าใจเรายังขาดความเป็นกลางขาดความเป็นปราศจากอารมณ์ปราศจากอคติที่เราละไม่ได้เพราะเรายังมีอคติต่อสิ่งที่เราพิจารณาอยู่อาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้ของความชังก็ได้ของความกลัวก็ได้ของความหลงก็ได้ถ้ามีอคติแล้วจะไม่สามารถละสิ่งที่เราพิจารณาได้ เราต้องกลับเข้าไปในสมาธิไปเคลียร์อคติให้หมดไปก่อนแล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่ดูให้เห็นให้เห็นต่างความเป็นจริงให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราจริงๆนถ้าเห็นอย่างนั้นชัดเจนแล้วมันก็จะละได้นี่คือเรื่องของสมาธิที่เป็นฐานของปัญญาเป็นผู้สนับสนุนปัญญา ถ้าปัญญาไม่มีสมาธินี้ปัญญาจะเป็นปัญญาที่มีอคติล้วก็จะไม่เป็นปัญญาที่เที่ยงธรรมที่แท้จริงยังต้องใช้ใช้สมาธิต้องฝึกสมาธิให้มากๆ ก, ก่อนถ้ายัางไม่มีสมาธิอย่าเพึ่งไปกังวลเรื่องปัญญาเพราะว่าใช้ปัญญาไปก็ไม่เกิดประโยชน์จะไม่สามารถละสิ่งต่างๆได้ต้องมีสมาธิก่อน หลวงปู่มั่นท่านจึงสอนหลวงตาเวลาที่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นใหม่ๆว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปใช้ปัญญาเรียนมาแล้วเยอะแยะเรียนเป็นมาหาสารประโยคแล้วปัญญาท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะใจยังไม่มีความสงบต้องไปทําใจให้สงบจะเรื่ความสงบให้มากๆ ของตาท่านก็เลยพุ่งไปที่พุทโธอย่างเดีย ว, วควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วก็ใช้พุทโธเป็นตัวนำเข้าสู่สมาธินั่งสมาธิทั้งคืนอย่างนี้เพื่อให้ใจมีฐานของสมาธิแล้วพอมีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาต่อไปแต่ถ้าไม่มีใครเตือนก็อาจจะติดในสมาธิได้ อย่างลงตาท่านก็เล่าว่าท่านก็ไปติดในสมาธิติดจากการเจริญสมาธิไม่สนใจที่จะออกเจริญทางปัญญาก็โชคดีที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยเตือนว่าถึงเวลาต้องออกทางปัญญาแล้วเพราะสมาธินี้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนเศษเนื้อติดติดฟันเป็นอาหารชิ้นเล็กๆปัญญานี่เป็นอาหารเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ ให้ออกพิจารณาทางปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วให้พิจารณาอาสุภะพิจารณาอนิจจงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพิจารณาอะไรต่างๆให้เห็นว่าเป็นตายรักษให้หมดนั่นแหะท่านถึงเริ่มออกออกไปทางปัญญาเริ่มพิจารณาแต่พอพิจารณาทางปัญญาท่านก็บอกว่าไปเลยเถิดพิจารณาแบบไม่พักไม่หยุดไม่หย่อน เวลาเกิดอารมณ์ใจฟุ้งขึ้นมาก็ยังพิจารณาพิจารณาแล้วก็ไม่สามารถที่จะละสิ่งที่พิจารณาได้ก็ไปเล่าให้หลวงปูม่ม่นฟังหลวงปู่ม่านนะี่บอกกาลังบ้าสังขารกําลังหนงสังขารหลงความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ปัญญาแล้วถ้าเป็นปัญญามันต้องตัดกิเลสตัณหาได้นะถ้ามันฟุ้งแล้วก็ต้องหยุดพิจารณากลับเข้าไปในสมาธิไปทําใจให้สงบให้เป็นกลางก่อน แล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ท่านบอกว่าสมาธิกับปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้สลับกันไปเวลาใช้ปัญญาก็ไม่ได้ใช้สมาธิเวลาปัญญาเวลาใจเรื่องฟุ้งก็หยุดใช้ปัญญาแล้วก็กลับมาทำสมาธิทำใจให้สงบต้องสลับกันทาเปรียบเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาเวลาก้าวนี้ต้องก้าวทีละเท้าก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก็ยนไว ก้าเท้าซ้ายเท้าขวาก็ยันไปท่านบอกว่าถ้าไปพร้อมกันก็ต้องกระโดดไปถ้าไปทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันก็ต้องกระโดดไปแบบจิ้งโจวเวลาเดินนี่เราต้องเดินทีละก้าวฉันใดเวลาบำเพ็ญสมาธิ ก, ญญากับปัญญาก็ต้องสลับกันไปเวลาทําจเลื่อนปัญญาก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความสงบพิจารณาให้เห็นความจริงของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา แต่พอมันฟุง้งมันไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็แสดงว่าเครื่องร้อนแล้วเหมือนรถยนต์น้ําน้ํามันเดือดแล้วก็ต้องน้ํามันแห้งแล้วเครื่องมันร้อนแล้วต้องหยุดเครื่องเติมน้ําก่อนเพื่อที่จะได้รักษาความเย็นของเครื่องยนต์ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเครื่องยนต์ก็จะพังได้จิตก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะ ถ้าจิตนอนแล้วพิจารณาทางปัญญามันจะไม่เป็นปัญญาลนะมันจะเป็นกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการตอบปัญหาคำถามที่ถามว่าการนั่งสมาธิแบบนี้ถูกหรือไม่ก็ถูกแล้วนั่งเพื่อให้ใจนิ่งใจสงบใจไม่คิดตรงแต่งใจเย็นใจสบายใจเป็นกลางไม่รับรู้ไม่มีอารมณ์กับเรื่องของร่างกายพอออกจากสมาธินี้มา ถ้ายังไม่ชำนาญในการเข้าออกสมาธิก็ให้มาจเจริญสติต่อควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเพื่อที่จะได้ดึงใจกลับเข้าไปในสมาธิพอออกมาเดินจงกรมได้สักพักเมื่อแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ดึงใจเข้าไปในสมาธิใหม่ทําอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าจะเข้าในเข้าไปในสมาธิได้ตามเวลาที่ต้องการและอยู่ได้นานเท่าที่ต้องการ ถ้ามีความจำนาแล้วถึงค่อยออกมาทางปัญญาตามลําดับต่อไปคําถามจากคุณนะ้โลเยอร์วิจิตตาการฝึกทำสมาธิจําเป็นต้องเรียนเป็นหลักสูตรไหมคะเช่นหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์วิริยังหรือเราสามารถฝึกเองที่บ้านได้คะวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เราปฏิบัติได้ถ้าเราไม่มีครูอาจารย์ เราก็ต้องไปศึกษากับครูอาจารย์ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราสามารถใช้หนังสือนั้นเป็นอาจารย์สอนเราเราก็สามารถที่จะเรียนของเราตามลําพังก็ได้บางคนชอบไปเข้าหนักสูตรเพราะว่ า, วามีมีการควบคุมบงังคับให้ปฏิบัติเพราะว่าถ้าให้ปฏิบัติตามลําพังก็จะไม่มีวินยัยไม่มีกําลังที่จะควบคุมบงังคับให้ปฏิบัติได้เต็ม ที่เวลาไปเข้าหลักสูตรนี้เขาจะมีตารางเวลาตดินกี่โมงตื่นแล้วเดินจงกรมนั่งแล้วนั่งสมาธินั่งสมาธิาธแล้วพักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เดินจงกรมต่อเกินหลักสูตรนี้เขาก็ดีอยู่อย่างคือเขาจะมีตารางที่จะควบคุมการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีตารางถ้าเราปล่อยให้ไปตามอำเภอใจของเรามันก็จะเละเทะ มันจะไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติอันนี้ก็มีผลดีผลไม่ดีผลไม่ดีก็คือเวลาไปปฏิบัติตามหลักสูตรถ้าเราปฏิบัติได้มากกว่าหลักสูตรหลักสูตรมันก็อาจจะเป็นตัวถ่วงเราได้ถ้าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทีละสองสาชั่วโมงแล้วต้องมานั่งทีละชั่วโมงเราก็จะเบื่อได้ถ้าอย่างนี้หลักสูตรกไ็ไม่เหมาะสําหรับเราเหมาะ เหมาะกับการเราเหมาะกับการปฏิบัติตามลำพังของเราบางทีเราอยากจะนั่งทีสามชั่วโมงพรวดไปเลยเราก็นั่งของเราไปวเวลาจะเดินทีเราสามชั่วโมงเราก็เดินของเราได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าจิตใจของเราอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเราต้องการเราไม่มีวินยัยเราไม่สามารถควบคุมบางครั้งให้เราปฏิบัติได้ตามลำพังเราก็ต้องไปอาศัยหลักสูตรเป็นตัวเป็นตัวสร้าง วินัยขึ้นมาก่อนแตถ้าเราสามารถปฏิบัติตามลำพังและปฏิบัติได้มากกว่าที่หลักสูตรเขาได้วางไว้สู้เราปฏิบัติของเราตามลำพังก็จะดีกว่าคําถามจากคุณศิริพร น, นั่งสมาธิจนลมหายใจจากยาวๆหายใจจนสั้นๆทีๆแบบไม่รู้สึกตัวเพราะคิดบริกรรมแล้วคล้ายยังกับไม่หายใจแต่มีชีวิต เพราะสัมผัสถึงการเต้นของหัวใจการบริกรรมจากที่สัมพันธ์กับการหายใจต้องเปลี่ยนเป็นจากความรู้สึกหรือเปล่าคะความรู้สึกจากลมหายใจมาอยู่ที่รมบริกรรมเพียงอย่างเดียวเหรอนี่งไงถ้าบอกว่าเขาบริกรรมไปแบบไม่รู้สึกตัวเพราะคิดบริกรรมแล้วคล้ายยังกับไม่หายใจแต่มีชีวิต เพรสัมผัสถึงการเต้นของหัวใจการบริกรรมจากที่สัมพันธ์กับการหายใจต้องเปลี่ยนเป็นจากความรู้สึกหรือเปล่าคะไม่รู้คำถามยังไงก็ไม่รูเกิดจะใช้คําบริกรรมก็อยู่คําบริกรรมไปอย่างเดียวจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าใช้คําบริกรรมควบคู่กับลมหายใจก็ใช้มันไปอย่างนั้น คือเราเริ่มใช้อะไรแ ล, แล้วก็พยายามใช่อย่างนั้นไปอย่างเดียวไม่ต้องไปกังวลกับอย่างอื่นดูลมก็ดูไปอย่างเดียวมันจะหายไปก็รู้ว่ามันหายไปให้มีสติประคับประคองใจให้รู้เฉยๆไปถ้ามีลมให้รู้ก็รู้รู้ลมไปถ้าไม่มีลมให้รู้ก็รู้อยู่กับความว่างไปก็สำคัญอย่าปล่อยให้ใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองนี่คือการนั่งสมาธิให้มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เหมือนเรือที่จะไม่ให้มันไหลไปตามกระแสน้็ต้องมีสมอทอดพอทอดสมอแล้วมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้าใจถ้ามีลมหายใจมีคำบริกรรมพุโทโธมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่คือหลักของการนั่งสมาธิให้มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจไหลไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีเครื่อยึดเหนี่ยวแล้วความคิดปรุงแต่งก็จะหายไป แล้วความว่างก็จะเข้ามาความสงบก็จะเข้ามาตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณพีนอกการที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ดูด่าเราโดยตรงแต่ไปดูด่าเรากับคนอื่นหมายถึงอะไรคะไม่รู้เหมือนการต้องถามคนที่ก็ดาด่าคำถามจากคุณทองเพชรคาววาที่ท่านได้ภูมิธรรมพระโสดาบันแล้วมีครอบครัวอยู่กับภรรยาแล้ว ถ้าระดับภูมิจิตต่างกันก็จะมีเรื่องทะเลาะโถกเถียงกันบ้างด่ากันบ้างแล้วภรรยาจะเป็นบาปไหมครับถ้าทางฝ่ายสามีไม่ถือส า, สาและโหสิกรรมให้เสมอเพราะมีแต่เมตตาทมสงสารเขาก็ยังเป็นบาปอยู่แต่ไม่เป็นเวรคือหมายความว่าถ้าภรรยาทำบาปข้อใดข้อหนึ่งบาปนั้นก็เป็นบาปไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามแต่ผู้ที่ถูกกระทำเช่นสามี ให้อภัยไม่จองเวรก็จะไม่มีเวรกับสามีสามีก็จะไม่ถือโทษกดเกืองจะไม่มีไม่ต้องมารับการล้งแค้นจากสามีแต่ก็ยังต้องไปรับผลบาปที่ตนเองทำอยู่เพราะบาปเมื่อทำแล้วมันก็จะสะสมไว้ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปใช้บาปต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว และผู้ที่ได้ภูมิธรรมโสดาบันแล้วสามารถกราบ พ, พ่อแม่ได้ตามปกติใช่ไหมครับกไไ็ไม่เห็นจะกราบไม่ได้ไม่เห็นไม่ใช่ห้ามไม่ให้การาบนะถ้าไม่ถ้าไม่การาบนะถือว่าบ้าแล้วบ้าว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระอริยเจ้าแล้วพระอริยเจ้าแท้ๆท่าไม่บ้าท่านมีเหตุมีผลพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่อยู่ไม่ใช่ว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วพ่อแม่การาบไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ใช่ บุญคุณของพ่อแม่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมกราบพ่อกราบแม่ได้เป็นพระอรหันก็กราบได้ถ้าอยากจะกราบเพียงแต่ว่าทางโลกเขาอาจจะมีธรรมเนียมปฏิบัติเช่นพอบวชเป็นพระแล้วพ่อแม่ก็ต้องกราบลูกแลเพราะว่าลูกตอนนี้มีศีลสูงกับพ่อแม่เท่านั้นเองลูกไม่ควรกราบถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่ควรกราบพ่อกราบแม่ตามธรรมเนียมนิยมของสังคม แต่ถ้าอยู่ที่รับสองต่อสองอยากจะก้าบเท้าพ่อกราวแม่ก็กราบได้ไม่เห็นมีใครมาห้ามอะไรถ้าเรามีความซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อของแม่เราจะก้าบพ่อก้าบแม่มันจะไปเสียหายตรงไหนคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราคิดบวกเพื่อให้เกิดความสบายใจไม่กังวลวุ่นวายใจเกิดความสงบขึ้น ถ้าทำแบบนี้เรื่อยๆไปจะเกิดเป็นสมาธิและปัญญาได้หรือไม่คะก็คิดไปในทางเบือ ก, ก็เรียกว่าปัญญาแล้วสัมมาสังกปรคิดไปในทางละความอยากคิดไปในทางที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคิดแบบนี้มันก็เป็นปัญญาในตัวแล้วคิดว่า เ, าเดี๋ยวก็ตายกันลวไปทะเลาะกันทาไมไปมีเรื่องมีราวกันทำไมไปแย่งทรัพย์สมบัติกันทาไมเดี๋ยวตายไปก็ไม่มีใครเอาไปได้ แล้วอยู่ก็ไม่ได้ใช้มันคนที่มีปัญญามักจะไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขคนที่มีปัญญาจะใช้ความสงบเป็นเครื่องมือซื้อความสุขก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไม่ไปคิดที่จะไปแก่งแย่งชิงดีไปมีปัญหากับใครหรือไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่บวกก็ต้องคิดไปในทางมรณะนุสตินี่คิดไปในทางอนิจจังอนัตตก็ได้มันไม่ใช่สมบัติของเรา สมบัติผัดกระชมแยกมากันแทบเป็นทแทบตายเดี๋ยวตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปอยู่ดีถ้ามันไม่มาโดยวิธีที่ถูกต้องและไม่ต้องดิน้นรนก็อย่าไปเอามันดีกว่าเพราะเอามาก็ไม่ได้เอาไปใช้มันเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินก็สู้ความสุขจากการที่ทําใจให้ไม่มีความอยากจะดีกว่าไม่ได้ความใจที่ไม่มีความอยากมันจะมีความสุขมากกว่าใจที่ได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้าน ถ้าคิดไปในทางที่ถูกแล้วจะใจจะสงบใจจะเย็นใจจะมีความสุขคำถามจากคุณวัดสิลีหากเรามีความตั้งใจจะร่วมบริจาคเงินทาบุญแต่ไม่มีโอกาสหรือสะดวกเดินทางไปถวายท่านด้วยตัวเองแต่ใช้วิธีโอนเข้าบัญชีบุญนั้นๆที่เปิดให้ร่วมทาบุญ อานิสงของทานนี้จะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับไม่ต่างกันหรอกก็มันก็เป็นเงินทองก้อนเดียวกันไปถึงที่หมายอันเดียวกันก็ใช้ได้คำถามจากคุณเบิร์ดสัญญาผมสงสัยว่าการเจริญสติคือให้มีสติรู้ในสิ่งที่ทำทุกขณะหรือต้องตามรู้ลมหายใจตลอดเวลาหรือพุโทโธกากับลมหายใจตลอดเวลา หรือใช้พุทโธอย่างเดียวทำอย่างไรครับก็เป็นวิธีต่างๆที่เป็นการสร้างสติขึ้นมาตัวสติไม่ใช่ตัวดูลมหรือตัวที่พุทโธอยู่แต่การที่ใช้พุทโธใช้การดูลมใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่จะดึงจะให้ใจเกิดสติคือให้ใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเท่านั้นเอง เน้นจะใช้วิธีไหนก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ใช้คําบริการพุทโธก็ได้ใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้สุดแท้แต่โอกาสบางทีบางโอกาสดูลมอาจจะชัดกว่าดูร่างกายเช่นถ้าเรานั่งเฉยๆอย่างนี้เราร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็ต้องดูลมหายใจแทนแต่ถ้าเราไม่มีสติที่จะควบคุมใจให้ดูลม ใจยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธมาแทนก็ได้ใช้พุโทโธพุโทโธมันก็จะดึงความคิดให้กลับมาไม่ให้ไหลไปตามความคิดได้ดังนั้นเวลาจเจริญสติในบางเวลาอาจจะต้องดูพิจารณาความเหมาะสมเหมือนกับเวลาที่เราขับรถที่มีเกียร์ที่เราต้องเปลี่ยนเียรไม่ใช่เกียร์ออโต้เนี่ยคนขับรถที่ไม่มีเกียร์ออโต้นี้จะต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ ตามสภาพของท้องถนนตามความตามความเร็วของรถยนต์ถ้ารถจอดนิ่งอยู่ก็ต้องใช้เกียร์ต่ําถึงจะวิ่งได้แต่พอรถเริ่มวิ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สูงขึ้นไปตามลําดับถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นฉะนั้นการภาวนาการเจริญสติก็แบบเดียวกันสติบางชนิดอาจจะเหมาะกับสภาวะแบบนั้น ส, สติอีกชนิดหนึ่งอาจจะเหมาะกับอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือบางชนิดก็จะเป็นแบบเกียร์ออโตโอ้ก็ใช้ได้ทุกสภาพเช่นคำบริกรรมพุทโธนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเกียร์ออโตโอ้ใช้ได้ทุกขณะทุกเวลาจะเดินยืนนั่งนอนจะนั่งหลับตาก็พุทโธได้ตลอดเวลาดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับ เจริญของผู้ปฏิบัติเดอ้อว่าจะถนัดกับชนิดไหนบางคนก็ซื้อรถเกียร์ออโตโ้บางคนก็ซื้อรถเกียร์ที่ต้องใช้ใช้คลาดใช้เปลี่ยนก็แล้วแต่ความถนัดแต่ขอให้รู้ว่าเป้าหมายของการใช้อุบายต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อมีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ใจว่างจากความคิดคําถามจากผู้ฝากถาม เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าสิ่งไหนเป็นสาระสิ่งไหนไม่เป็นสาระแล้วถ้าใช้ความสงบของใจเป็นตัววัดได้ไหมคะเช่นสมเช่นสมมติว่าเรารับรู้สิ่งใดแล้วใจเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็คือว่าไม่มีสาระ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไปเห็นว่าสิ่งไรสาระนั้นเป็นประโยชน์ตรงที่ทําให้รู้จักความทุกข์ใจแล้วอยากที่จะละจากความทุกข์นั้นเสียก็สิ่งใดที่คิดไปแล้วทำให้ใจเราทุกข์ก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระคนกับเราสิ่งใดที่คิดแล้วทําให้ใจเราสงบ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระคุณเป็นประโยชน์กับเราเช่นถ้าเราคิดถึงตายลักนี่มันจะเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้ใจเราสงบถ้าเราคิดไปในทางตันหาความอยากคิดไปในทางความสุขความเจริญมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์แก่ใจของเราเพราะจะเกิดความอยากให้สิ่งนั้นให้ความสุขให้ความเจริญกับเรา แต่พอสิ่งนั้นเปลี่ยนไปไม่สามารถให้ความสุขความเจริญกับเราก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ดังนั้นก็ต้องดูผลผลวัดที่ใจจากความคิดของเรามันคิดไปได้สองทางความจริงสามทางทางที่ทำให้ใจทุกข์กับทางที่ทำให้ใจไม่มีความทุกข์หรือทางที่เป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีอยู่สามทางด้วยกันคิดไปในทางที่ทำให้ใจมีความสุข คิดไปในทางที่ใจไม่ทุกข์เยก็ใช้ได้ถ้าคิดไปในทางที่ทำให้ใจทุกข์ก็ควรจะหยุดคิดคำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามยังไหมกลับนมัสการของพ่อค่ะขอโอกาสถามเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะเอ่อ ในการปฏิบัติเพื่อให้ผ่านเวทนานะคะหนูเคยไปปฏิบัติกับพระคุณแม่รูปหนึ่งที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระคุณแม่จันดีนะคะท่านให้หนูเลือกสองอิริยาบถ ท, ท่านบอกว่าจะให้เดินจงกรมหกชั่วโมงกับนั่งสมาธิหกชั่วโมงอะคะ่ะโดยอยู่ในอิริยาบถนี้ให้หนูเลือกค่ะหนูก็ว่าจงกรมอะไรจะง่ายกว่าหน่อย หนูก็เลยเลือกเดินจงกรมไปหกชั่วโมงค่ะก็คือท่านก็กําหนดตั้งแต่รับประทานอาหารมือเดียวแล้วก็เข้าทางจงกรมแล้วก็ไม่ออกมาเลยจนกว่าจะพระอาทิตย์ตกดินแล้วจนกว่าท่านจะมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เดินผ่านมันไปอค่ะก็ทรมานมากก็หลังนี่แทบจะขาดแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดตายก็คงจะเจ็บกว่านี้ถ้าลองตายซะก่อนเลยอย่างเงี้ยก็คิดไปบางทีเดินไปก็ร้องไห้ ก็จองกระทั่งว่าทําตามที่ตั้งสัจจะไว้กับท่านแล้วพอตอนเย็นท่านก็จะมาช่วงที่พระอาทิตยับไปจากขอบฟ้าแล้วค่ะท่านก็จะมาบอกว่าออกจากทางจงกรมได้หนูก็ปฏิบัติกับท่านอยู่อย่างนี้อยู่สองสะวันช่วงกลางคืนท่านท่านก็จะให้นั่งสมาธิอะไรแล้วก็ผ่านความกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีท่านก็ให้หนูอยู่คนเดียวแล้วท่านก็บอกว่า เออให้ถือตะเกียงไปได้ก่อนเอาไปได้กี่อันหนูถือไปได้สี่อันหนูถือไปหนูก็ผ่านความกลัวแต่ก็อยู่กับท่านมาได้ประมาณสักไม่ถึงสัปดาห์ค่ะทีนี้ท่านบอกว่าการที่เราจะแบบจิตเราจะปลอดภัยก็คือว่าหมายถึงว่าได้ถึงเป็นโสดาบันคือเข้าใจในเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยต้องผ่านเวทนาให้ได้ หนูหนูเดินจงกรมได้แล้วมีความจําเป็นว่าต้องกลับไปฝึกการนั่งสมาธิให้ได้หกชั่วโมงโดยไม่ขยับเขยื่อนไหมคะอยู่ที่ว่าใจเรายังมีปัญหากับความเจ็บอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังทุกกับความเจ็บอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยความเจ็บอยากลับไปนั่งหรือจะกลับไปเดินก็เพื่อไปหาความเจ็บนี้ทั้งนั้นเองไม่ไปหามันเดี๋ยวมันก็มาหาเราก็ได้รอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มา ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลามันมาแล้วใจเราเฉยหรือไม่เฉยเท่านั้นเองถ้าใจเราเฉยไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราผ่านถ้าเรายังเดือดร้อนอยู่ยังกลัวมันอยู่ยังทุกข์กับมันอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านทีนี้เมื่อกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะโอกาสที่ จ, จะปฏิบัติได้ยาว6ชั่วโมงเนี่ยไม่มีโอกาสคะ่ะก็คือนั่งเมื่อย ก็ไปเดินค่ะเดินเมื่อยก็มานั่งอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะก็อยาไปถ้าอยากจะนั่งเพื่อให้เพื่อให้เจอความเจ็บเวลาเมื่อยก็เป็นความเจ็บแล้วก็อย่าไปลุกอให้อยู่กับความเจ็บนั้นจนกว่าใจของเราจะไม่กลัวความเมื่อยสามารถอยู่ได้ไม่ต้องหนีมันที่เราลุกขึ้นไปเดินเพราะเราอยากจะหนีมันเพราะเราไม่อยากจะเจอหน้ามันพ <c oughs> อมันมาปั๊บก็ไปแล้วเปลี่ยนนิรยาบท ที่ให้นั่งเพื่อไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบถให้มันมาเองแล้วมันไปเองไม่ต้องไปหนีมันให้มันหนีเราไปถ้ามันหนีเราก็แสดงว่าเราชนะมันเราไปเราก็จะไม่กลัวมันมันจะมาเมื่อไหร่มันจะอยู่นานทักเท่าไหร่หรือจะไปเมื่อไหร่เราก็จะไม่มีอะไรกับมันค่างั้นแสดงว่าต้องนั่งให้ผ่านเหมือนกันเหมือนกับที่เดินให้ผ่านใช่ไหมคะถ้าเรายังมีปัญหากับความเจ็บอยู่เราก็ต้องทาต่อไป ทาไปจนกว่ามันไม่มีปัญหาแล้วคิดขึ้นมาแบบนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์คือว่าการนั่งงอเข่านานๆไม่ดีเราเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแต่เราขอห่วงร่างกายไว้นิดนึงว่าเอ อ, อยากให้มันอยู่นานหน่อยเพราะนั้นอย่าไปงอเข่านานเพื่อว่าให้รักษาร่างกายนี้ให้มันอยู่ปฏิบัติไปได้ก็เลยเดินมั่งนั่งมั่งอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไม่ให้มันเกินไปจนเจ็บเนี้ยค่ะอ๋อมันก็ไม่ได้ งอไปจนวันตายที่ไหนเรมันก็งอในช่วงที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีผลกระทบอะไรกับร่างกายหรอกนั่งเจ็บนั่งงอไปหกชั่วโมงปดชั่วโมงไม่ใช่จะนั่งไปทุกวันทุกคืนอาจจะนั่งเพียงไม่กี่ครั้งพอรู้ว่าผ่านแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งแบบนั้นอีกต่อไปอเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์หนูจะกลับไปทาค่ะอันนต่อไปเรื่องร่างกายหนูไม่สงสัยแล้วค่ะ หนูมาสงสัยเรื่องจิตนะค ะ, ะพระอาจารย์คะแบบอย่างความโกรธเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรดีเลยแล้วก็ไม่เอามันอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งความขุนเคืองใจเนี่ยเราก็เข้าไปดูว่ามันเกิดเพราะอะไรคําสอนของพระอาจารย์ก็อยู่ในใจหนูตลอดว่าถ้ามันยังมีทุกข์ ย, ยืบยับอยู่เนี่ยต้องไปดูว่ามันเกิดจากอะไรหนูจะจําคําสอนของพระอาจารย์ว่ามันเกิดจากความอยาก หนูก็จะไปถามว่ามันอยากกับเรื่องอะไรที่มันทําให้มันยุยบ ย, ย, ยับๆอยู่ในใจนี้พอหนูคิดไปว่าโอ้ยอย่าไปอยากเลยอย่างเช่นหนูเห็นลูกเล่นเกมเนี่ยหนูยุบยับในใจมากเลยแต่แต่ก่อนเนะี่ยหนูโกรธแต่ตอนนี้นก็รู้สึกว่าโกรธมันไม่ดีไม่ควรโกรธแต่ยุบยับในใจนี้มันยังมีอย่างเช่นถึงเวลากินแล้วไม่กินถึงเวลานอนแล้วไม่นอนอะไรยเงี้ยหนูว่าหนูยังยังอยากให้เขา รู้จักแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นที่อยู่ในใจหนูแล้วหนูก็มาคิดว่าจะไปหยากกับเขาทําไมถึงแม้ว่าลูกหนูจะได้ดีลูกหนูก็ต้องตายถึงลูกหนูจะไม่ได้ดีลูกหนูก็ต้องตายอยู่ดียังไงลูกหนูก็ไม่ท้นความตายหนูจึงไปจับที่มรานานุสติอะค่ะต่อให้ลูกดีขนาดไหนลูกเรียนเก่งร่ํารวยขนาดไหนลูกก็ต้องตายอยู่ดีแล้วทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเขายังอย่างเล่นเกมอยู่เนี่ยแล้ว หนูพูดอะไรไปเขาก็ไม่ไ ม, ไม่ทําไม่ได้เขาก็ยังอยู่กับเกมอย่างเนี้ยหนูกเลยเอาความตายมาจากก็รู้สึกว่าความยุบยิบในใจว่าความอยากให้เขาได้ดีเนี่ยมันก็น้อยลงไปก็ถามว่าวิธีนี้เอามาคิดได้ไหมคะก็ทํานั้นดับความไม่สบายใจดับความยุบยิบภาในใจได้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งของจิตใจอ่ะคะ่ะ คืออาการที่ว่าล่าเริงแล้วเบิกบานตรงนี้ค่ะอย่างอย่างร่างกายในหนูเข้าใจว่ามันไม่มีสุขหรอกค่ะเมื่อทุกข์มันดับไปมันก็แค่เฉยเฉยเท่านั้นเองแล้วแล้วพอทุกมันมามันก็ทุกกับเฉยเฉยแต่จิตใจหนูว่ามันมี3ามอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่หนูได้ศึกษามาก็คือมันมีทั้งคว า, ามสุขมีทั้งความทุกข์แล้วก็เฉยเฉยใช่ไหมคะ ในอารมณ์ที่มันมีความสุขขึ้นมาตรงเนี้ค่ะพระอาจารย์เราเราควรจะจะเบรกมันไหมคะถ้าอย่างเช่นความทุกข์จากความโกรธหรือว่าความเกลียดความไม่ชอบความขุนเคืองเนี่ยเราเบรกมันเพราะว่ามันไม่ดีอแล้วถ้าเกิดว่าความสุขตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ต้องเบรกมันด้วยไหมคะให้มันมาอยู่ตรงกลางความสุขที่ได้จากตั้หาความอยากก็ไม่ดีเหมือนกันพอเราได้อะไรดังใจอยากเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแบบนี้เราก็อยากไปมี เพราะว่าเดี๋ยวเวลาอยากแล้วไม่ได้ตามใจอยากก็จะเสียใจแล้วถ้าความสุขที่เกิดจากการภาวนาพุทโธเราเนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ค่ะอ๋ออันนี้ต้องพยายามมีให้มากๆค่ะนนเราก็ไม่ก็ก็อยู่ไปตรงนี้แล้วเรามีความสุขแล้วก็อยู่ไปนนใช่ไหมคะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นสุขทางเวทนาเป็นความสุขทางใจสุขทางเวทนามันผ่านทางร่างกายผ่านทางการทําอะไรตามใจอยาก แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี่เป็นความสุขที่แท้จริงค่ะแล้วให้จับอารมณ์กับตรงนี้ใช่ไหมคะทำใจให้สงบทำใจให้ว่างปล่อยวางะละความอยากแล้วเราก็จะได้ความสงบแบบนี้แล้วบางครั้งมันมีความล่าเริง ม, มีความเบิกบานอยู่ด้วยก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่ามันล่าเริงเบิกบานเพียงแต่ให้รู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงก็แล้วกันอย่าไปยึดอย่ไปติดกับมันเวลามันหายไปก็อย่าไปเสียใจ พระอาจารย์คะชีวิตนี้นะนอกจากเราต้องดูแลร่างกายแล้วแต่เรารู้ว่าสุดท้ายเรารักษามันไม่ได้แต่จิตใจนะมันเป็นของเราเรามั่นใจตามคําสอนของของพระอาจารย์ว่าจิตใจเนี่ยเป็นของเราแล้วเราก็จะต้องรักษามันไปตลอดใช่ไหมคะใช่รักษาไปจนกระทั่งมันจะรักษาตัวมันเองได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องอพอเรามันพอมันไม่มีตัญหาความอยากแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาต้องมารักษามันอีกต่อไป พระาจารย์หมายความว่าเราจะต้องเราจะไม่เหนื่อยไปตลอดที่จะต้องมาดูแลจิตเราใช่ไหมคะสักวันหนึ่งเราจะพ้นจากที่ว่าจิตไม่เป็นภาระแล้วใช่ไหมคะใช่การปฏิบัติทางพรหมจรรย์นี้มีวันสิ้นสุดโนวสิตังบรมจเรียงผู้ที่ได้ทําลายตันหาความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความรุนแรงใจต่างๆได้ถูกทําลายหมดไปแล้วก็ไม่มีภารกิจที่จะต้องทําอีกต่อไป พระอาจารยข อ, อุญาตถ้าเกิดว่าเราเราสามารถรักษาจิตดูแลจิตได้อย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราเลือกเราเลือกเฟ้นเอาออกอะไรที่ไม่ดีเราเอาเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกราท่งวันหนึ่งเนี่ยจิตเราสามารถรัาครับประคองได้แล้วอย่างนี้เราจะหมดภาระใช่ไหมคะใช่ต่อไปจิตก็จะเป็นจิตที่อิสระไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตต้องทุกข์อีกต่อไป พระอาจารย์คะแล้วดังนั้นจิตก็ไม่ใช่เราอีกแล้วใช่ไหมคะคือคำว่าเราไม่เรานี่ยไมไม่มันไม่เป็นปัญหาขอให้จิตมีความสุขก็เรื่องก็มันก็จะจบไปในตัวของมันเองเป็นเราก็ได้ถ้ามันเป็นความสุขไม่เป็นขงเราก็ได้ถ้ามันเป็นความสุขแต่ถ้ามันเป็นเราแล้วมันเป็นความทุกข์เราก็ต้องตัดความทุกข์นั้นไปให้ได้ถ้าการถือว่าเป็นเราทาให้มันทุกข์เราก็อย่าไปถือว่ามันเป็นเรางั้นก็คือจะมีผู้ที่พ้นไปจากจิตใช่ไหมคะ ปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นเองค่ะพระอาจารย์หนูเขาเข้าใจแล้วค่ ะ, อ ะ, อะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนักสการค่ะพระอาจารย์การเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี่มีระยะเวลาขั้นต่ำไหมคะก็แล้วแต่เราจะเป็นผู้กำหนดอยู่ที่กำลังของเราเดินได้มากเท่าไหร่นั่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วถ้าเกิดการเดินแบบถ้าเราทำเร็ว เดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าแต่มีสติอะค่ะแล้วแต่โอกาสบางทีง่วงนอนเดินเร็วมันช่วยแก้ความง่วงนอนได้ก็เดินเร็วหรือมันขี้เกียจก็เดินมันเร็วแล้วมันหายขี้เกียจก็เดินเร็วได้แต่ถ้ามันเหนื่อยเดินเร็วไม่ไหวอยากจะเดินช้าๆก็เดินช้าๆได้แล้วแต่สภาพของจิตใจและร่างกายว่าควรจะใช้ความเร็วช้าขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ค่อยได้ปฏิบัติเต็มตามรูปแบบนัก เพียงเจริญสติในเออ่ชีวิตประจําวันให้ได้มีสติเท่าที่เอมากที่สุดนะคะก็ได้ขอให้มีสติขอให้ใจว่างไม่คิดไปในทางความอยากต่างๆก็ใช้ได้แล้วถ้ามีเวลาก็ถ้านั่งได้ยิ่งดีเพราะเวลานั่งมันจะสงบมากกว่าเวลาไม่ได้นั่งอ๋อค่ะอหมดแล้วนะ